โอกาสนี้ไปก็เพ็นงตั้งใจฟังธรรมะเป็นปหลัรทมคำสอนข อ, องสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ให้ได้ประโยชน์สุตตะมยปัญญาความรู้จากการฟัง ภาวนาเมย ป, รรยปัญญาความรู้จากการปฏิบัติเจริญภาวนาก็พิ่งทำไปพร้อมกันทั้งกา ร, ร, าการ ภ, ภาวนาทั้งการฟังธรรมเร า, าสามารถที่จะฟังธรรมพร้อมกับการปฏิบัติกรรมฐานได้เพียงแต่เราต้อง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 ได้ยินได้ยินก็เป็นนามธรรมดันั้นเราลึกรู้สภาพเสียงสภาพได้ยินศัพแต่ว่าได้ยินก็ศัพแต่ว่าได้ยินแล้วก็รู้ในกายในจิตเวลาได้ยินแล้วจิตเรารู้สึกเป็นยังไงจิตจะมีการคิดนึกไหมมีปึกนึกมีการปรุงแต่งไหม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 เนี่ยเราจะต้องตั้งหลักให้ดีถ้ารู้สึกมันมีความมุง่งตั้งความระลึกรู้รู้สึกตัวให้เพิ่มขึ้นรูนะ้ ก, กายใจตั้งหลักตั้งสติตื่นตัวตื่นใจเพิ่มขึ้นเร็วเพียนเพียนใส่ใจเพี้ยนระลึกรู้มากขึ้นในงะั้นมันจะหลับซับสงบเนะี่หรือว่า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 วันเดือนนี้ก็เป็นเดือนที่ใกล้ที่จะเป็นวันสำคัญในทางพระพุทธศาสนาเรียกว่าวันมาฆบูชาที่จะถึงตรงกับวันที่สี่มีนาคมตอเหลือ เ, เวลาอีกไ ม, ม่กี่วันยงเป็นวันสำคัญอยู่ ก็จะได้นำสาระคำสอนเหตุการณ์แห่งวันสำคัญนี้มากล่าวให้ท่านทั้งหลายได้ฟังทั้งเรื่องราวทั้งสาระทั้งตัวคำสอนเหตุการณ์ของวันมาฆบูชา ซึ่งเป็นพันษาแรกแห่งการตรัสรู้พระพุทธเจ้าตระัสรู้ในวันเพ็ญเดือนหแสดงธรรมครั้งแรกก็วันเพ็ญเดือนแปดผ่านมาสองเดือนประกาศ ธ, ธรรมแล้วก็ผ่านมาถึงกลางเดือนสามก็จึงได้มี พระอาหารหันต์เกิดขึ้นพระอรหันต์ที่กลุ่มบัรจวัคีนั้นก็เป็นพระอรหันต์ที่ป่ายสีปตะนาบริกเาทายวันแล้วก็มีพระอรหันต์อีกกลุ่มหนึ่งคือกลุ่มของชดินชดินสามพี่น้องแล้วก็เป็นเป็นพันธุ์ หนึ 1> 1, ่งพันรูปแล้วก็กลุ่มของอลูกสิษย์ของพระสารีบุตรมมโมกลานะอีกสองร้อยห้าสิบที่สำเร็จเป็นพระหันด้วยเอหิิขบวชก็บวช ด, ด้วยเอหิพิขูประสัมปทาเป็นพิสูจน์ที่พระเจ้าทรงบวชให้เองฉะนั้นก็มาประชุมกัน มาประชุมกันที่วัดเวรุวันในเวลาบ่ายโดยไม่ได้นัดหมายกันจำนวนหนึ่งพันสองรูอยห้าสิบรูแล้ววันนั้นก็เป็นวันที่พระสารีบุตรสำเร็จเป็นพระอระหรันตะ์ฟังธรรมที่ถ้าสุกราคาตาที่ภูเขาเพชรกุ สาริบุตรในเดิมก็ชื่ออุปทิสสะน่ก็เป็นเพื่อนกับโกริกะได้ก่อนหน้าที่เป็นคาราวาสได้ขึ้นไปดูมรสกบนภูขเขาแล้วก็เกิดท ร, รมาสังเวศว่า บุคคลเหล่านี้ยมัวแสดงต่างๆที่สุดก็ต้องตายไม่เกินรอยปีน้องมาสู่ตัวเราตัวเราเองก็มีความเป็นอย่างนี้ไม่เราก็ต้องตายเหมือนกันอยากกันนั้นเรเราควรจะหาที่พึ่งหาสิ่งที่เป็นสาระที่จะทำให้เราหลุดพ้นจากการเว้นไหตายเกิดบาคนก็ได้ออกบวช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 ระหว่างอุปติสสะกับโกดิสสะในวันหนึ่งอุปติสสะมาเห็นพระอัสสชิกําลังออกบินธรรมานมีกิริยามารยาทเรียบร้อยการเดินการสํารวมอุปติสสะก็พิจารณาว่าท่านผู้นี้ต้องมีธรรมะดมีมีกินรียผ่องใสมีกิริยามารยาทที่สํารวม ก็ติดตามท่านไปท่านก็ลังบินดบาลเมื่อท่านไปที่ฉันเรียบร้อยแล้วเพืจึงเขาไปถามถามว่าท่านท่านได้บวชเฉพาะใครใครเป็นศาสดาของท่านท่านท่านชอบธรรมของใครบวชเนี่ยบวชุฒิ ใ, ใครใครใครเป็นศาสดาชอบธรรมของใครพระอัสสิก็บอกว่ามีอยู่ <c oughs> พระมหาสมณะสักยะบุตรออกบวชจากสักยะตระกูลเราบวชเฉพาะพระองค์นั้นทรงเป็นศาสดาของเรา ศาสดาของเรามีปกติกเรียกว่าออกบวชอย่างศากซิปุณเป็นมหาสมาณะกาสาริบอุปติสาก็ถามว่าแล้วท่านมีปกติสอนอย่างไรทานสจิกก็บอกว่าเรายังเป็นผู้ใหม่เป็นพระใหม่เข้ามาในธรรมวินัยนี้ยังไม่นานไม่อาจที่จะ แสดงทาให้ท่านได้อย่างกว้างขวางปุปติสักก็บอกว่าขอท่านจงแสดงเฉพาะใจความมันเป็นส่วนสำคัญข้าพเจ้าก็จะเป็นผู้ทฟาฟังข้าใจจากนั้นพระสัจจีตันก็ได้แสดงธรรมเป็นคาถาย่อๆแต่ว่า อุปติสสะฟังแล้วบรรลุปเป็นโสดาบันอยอมก็ลองฟังนะว่าคำเดียวกันอุปติสสะฟังแล้วท่านดวงตาเห็นธรรมเกิดขึ้นท่านตรัสท่านพระสัจจิยได้กล่าวว่า <c oughs> ยาธรรมาเหตุปปภาวา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 ถ้าหมหาสมณะมีปกติสอนอย่างนี้ทุกทิษาฟังแค่นั้นน่ะแท่งตลอดในอริยสัจจะบรรุเป็นโสดาบันเนี่ยผู้ที่มีอินทรียบารมีเก่งกล้ามาเนี่เป็นดอกบัวที่พ้นนะต้องแสงอธิกบาลได้เลยทำเหล่าใดเกิดแต่เหตุ พระตถาคตทรงแสดงเหตุแห่งธรรมเหล่านั้นและความดับไปแห่งธรรมเหล่านั้นหมายความว่าอย่างไรถ้ากาแสดงอริยสัจหนึ่ง ย, ย่ออริยสัจแตอุปติสาเป็นผู้มีปัญญา เ, เข้าใจแทงตลอดได้ทำเหล่าใดเกิดแต่เหตุ รัตฐาคดทรงแสดงเหตุแห่งธรรมเหล่านะั้นและความดับแห่งธรรมนนั่นก็หมายถึงว่าทุกทุกเนี่ยมันมีเหตุทำให้เกิดอะไรเป็นเหตุให้เกิดทุกเนะี่ยตัณหาเป็นเหตุให้เกิดทุกพระองค์ทรงแสดงเหตุธรรมและเหตุ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 ทำใดทำเดาใดเดาหนึ่งนะเป็นก็คือทุกข์หนึ่งได้แก่ขันห้ารูปนามขันห้าเนี่ยประกอบมาเป็นสิริละร่างกายชีวิตถ้าใด้กาหนดรู้เนี่ยยังรู้ลงไปในกายเห็นรูปเห็นนามเห็นสภาวะมันเป็นทุกข์มันเปลี่ยนแปลงมันแตกดับมันมีตัณหาเป็นเหตุให้เกิดทุกข์กหนดรู้ทุกข์ละตันหา กำหนดรู้ทุกอย่างไรที่จะเป็นไปเห็นการละทันหาก็ต้องกําหนดรู้เฉยๆกําหนดรู้อย่างปล่อยวางกาหนดรู้อย่างไม่ว่าอะไรที่กำหนดดูรูปดูนามเนี่ยต้องวางใจเป็นกลางปล่อยวางอยู่ตันหาจะถูกละตันหาจะไม่กําเลิกกาเริกแต่ถ้าเรากําหนดรู้ทุกแบบบังคับ จะเอาทุกข์ให้หายทุกข์จะเอาทุกข์ให้หมดไปอย่างนี้ไม่เอาจะเอาอย่างตัญหาเกิดเ่มันจะมีวิภวตัญหาอยากไม่มีไม่เป็นอยากให้ปวดหายอยากให้ฟุ้งหายมันก็เป็นตันหาเกิดขึ้นหรืออยากมีอยากเป็นอยากได้เคยได้แล้วก็อยากจะได้เหมือนเดิมอยากสงบเหมือนเดิมเพราะวาตัญหา ก็ไดยดับทุกข์ไม่ได้ถ้ากำหนดรู้ทุกข์รู้กายใจเนี่ยใส่ใจลงไปในกายเจอความเย็ยนความร้อนอ่อนแข็งหย่อนตึงความไว้ความก็เพิ่มสะเทือนเนี่ยเป็นรูปธรรมเป็นก้อนทุกข์ตาหูจมูกกลิ้นกายใจสีเสียงกลิ่นรสผดพะการเห็นการได้ยินรู้กลิ่นรู้รสรู้สัมผัสคิดนึก อันนี้คือก้อนทุกข์น่รวมกว่ามันที่ประกอบมาเป็นสังขารชีวิตเนี่ยคือก้อนทุกข์ถ้าได้กำหนดรู้อย่างวังเฉยไม่ยินดีไม่ยินร้ายไม่มีอภิชาณธรรมะในโลกและตันหาดับตันหาได้ก็จะเป็นเดรโรดเป็นนิพพานเป็นความดับทุกข์ธรรมเราได้เกิดแต่เหตุ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 ธรรมะอันนี้ดับทุกได้ก็ถามว่าพระองค์ประทับอยู่ที่ไหนขณะนี้พระศาสดาประทับอยู่ที่วัดเวรวุวันข้าพเจ้าจะกลับไปบอกเพื่อนก่อนตามสัญญาแล้วจะตามไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าดังนั้นอุปติสสะก็กลับมาเพื่อจะมาบอกเพื่อนคือโกริตตะ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 ท่านได้ฟังจากใครท่านทำของท่านเหล่านั้นสอนอย่างนี้อุปติสักก็เล่าให้ฟังอย่างนี้ยเจอท่านพระอสจิเห็นท่านมีรูปผิวผ่านอินทรีย์ผงใสผิวผ่านงามก็ได้ตามไปแล้วก็ถามแล้วท่านก็ได้บอกมาว่าทำเหล่าใดเกิดใดเหตุพระตถาคตทรงแสดงเหตุแห่งธรรมแล้วและความดับไปแห่งธรรมแล้ว ก้อิทะตก็บรรลุเป็นโสดาบันบรรลุกันง่ายฟังกันแค่นั้นเข้าใจเรื่องอารยสัจจะมองเห็นเลยว่าทุกทั้งหลายรูปนามนะเกิดแต่เหตุคือตัณหาเพราะมีอวิชชาพอเข้าไปรู้ทุกทำลายวิชาตัณหาดับตัณหาเนีก็เป็นความดับทุกเข้าถึงนิพพานเป็นธรรมที่พ้นโลก แล้วสองท่านก็เลยว่าเราจะต้องไปเฝ้าพร ะ, พระศ า, าสดาพระผู้มีพระภาคแต่เรามีบรรดารุกศิษย์สองรอยห้าสิบท่านที่บวชมาพร้อมกับเราก็ไปบอกบรรดารุกศิษย์วเราทั้งสองจะไปบวชไปอยู่ที่สำนักของพระผู้มีพระภาคจ้าพแล้วท่านทั้งหลายจะว่าไง ทั้งหมดเหล่านั้นก็บอกว่าการเที่ยวข้าพเจ้าทั้งหลายมาบวชก็มาอาศัยท่านทั้งหลายเมื่อท่านทั้งหลายเห็นดีอย่างไรเราก็จะไปอย่างนั้นตกลงสองห้าิบก็จะตามไปด้วยก็เลยไปลาสัญชัยเจ้าสำนักสัญชัยก็บอกอย่าไปเลยทั้งสามท่านช่วยกันบริหารสำนักของเราดีกว่า อุปติสสะโกริตะก็บอกถึงว่าเข้าใจธรรมะมีพระผู้มีผัดผ้าเจ้าเป็นศาสดานะก็จะต้องไปพอทั้งหมดจากไปในสัญชัยกอ็อากเลือดนะความเสียใจอย่างหนัก น, นั้นเมื่อสองท่านเดินทางไปพระพุทธเจ้าเห็นอุปติสสะโกริตะเดินมาแต่ไกล ก็ตรัสกับพิสูจน์ทั้งหลายดูพิสูจน์ทั้งหลายเธอจงดูสองท่านนี้เมื่อเข้ามาสู่พระธรรมวินัยแล้วจะเป็นอัครสาวกเป็นผู้เริศสาวกชั้นเลิศเมื่อสองท่านมาถึงก็ซบลงแทบพระบาทของพระผู้มีพระภาคเจ้าพร้อมทั้งลูกศิษย์ทั้ง250ห้าสิ ขอบวชเลยไม่มีข้ออะไรต้องสงสัยเพราะเราเป็นนักบวชอยู่แล้วอาจาเราเป็นนักบวชนอกพุทธศาสนาเรียกว่าปริพาชกพระพุทธเจ้าก็ประทานบวชให้เลยเธอจงเป็นพิสุเ์เถิดเธอจงมาเป็นพิสุทธ์เถิดทำมาเรากล่าวดีแล้วเธอจงประพฤติพรหมจรรย์เพื่อทำที่สุดเถิดแค่นั้นก็สมเด็จเป็นพระพิสุท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 พระพุทธเจ้าให้นามใหม่ว่าเนื่องจากอุปติสสะเนี่ยม anda ชื่อว่าสารีก็เลยให้นามว่าสารีบุตรแปลว่าบุตรของนางสารีกริตนี่ก็มารดาชื่อโมคคารีก็เลยให้ชื่อว่าโมคารารนณะเมื่อบวชแล้วโมคครานังก็ไปปฏิบัติ จนจงกลมนั่งกรรมฐานภาพเพียนภาวนาเกิดความง่วงง่วงมากนะเนี่ยขนาดผู้ที่จะเป็นอครส า, าวกชันเลิศยังง่วงนั่น น, นั้นอย่างพวกเราจะไม่ง่วงนะท่านลาก็จะหลั บ, ลบปรับสงบพระเจ้าก็ปรากฏนี้นี่ไปสอนโมคราณนัก เธอมีสัญญาว่าอย่างไรก็ทำสัญญานั้นให้มากให้ชัดเจนหรือก็ให้พิจารณาธรรมที่ได้รั่าเรียนมาถ้าเรามีการคิดพิจารณาธรรม้อใดข้อหนึ่งให้จิตมันทำงานจิตมันก็จะตื่นขึ้นหรือสาธยายรมโดยพิสดาร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 ก็ได้ท้าไมตื่นตัวหรือว่าการลุกขึ้นยืนมองดูทิศทั้งหลายเอาน้ำ้าหน้าหรือการพิจการทำไว้ใจให้มันสว่างกลางวันกัางคืนดูมันเหมือนการสว่างเลยหรือว่าการเดินจงกรมสำรวมอินทรีย์ เนี่ยก็ไปสอนต่างๆถ้าไม่หายก็สุดท้ายก็เสีหักใสยยากเนี่ยยังมีสติพอเราตื่นมาก็ลุกขึ้นทำความเพียรต่อแล้วพระองค์ก็สอนธรรมะเรื่องาธาตุหกให้พิจารณาถึงความไม่ใช่ตัวตนน่ดินน้ำลมไฟอากาศวิญญาณ เนี่ยมนประกอบเป็นสังขารเนี่ยมันไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ตัวตนทั้งเราและก็แสดงถึงเวทนาสุขเวทนาความสบายทุกขเวทนาไม่สบายาทุกขกลับมาสุขเวทนาไม่สุขไม่ทุกเนี่ยมันมีปัจจัยปรุงแต่งทำให้เกิดขึ้นให้กำหนดพิจารณาเห็นว่ามันไม่เที่ยงมันมีการเปลี่ยนแปลงเนี่ยว่าพิจารณาเห็นอยู่อย่างนี้ ก็จะเกิดความเบื่อหน่ายคลายกำหนัดจิตก็จะหลุดพ้นเมื่อพระองค์ตรัสสอนไปแล้วทัมโมคลณะท่านก็ทำตามที่สุดท่านก็สำเร็จเป็นพระหันในวันที่เจ็ดแห่งการได้อุปสมบทส่วนอุปติสสะหรือภาษาบุตรนี่ปฏิบัติอยู่สิบห้าวันผู้มีปัญญาเนี่ยก็บรรลุช้ากว่า มีข้อแม้ข้อสงสัยข้อแย้งอยู่เยอะคนมีปัญญาเนี่ยไม่ไม่ปลงใจเชื่ออะไรง่ายบรรลุธรรมก็ต้องอาศัยพุทธเจ้าแสดงอีกองคหนึ่งให้ฟังในครั้งนั้นนี่ยมีทีคณะหลานพระสารีบุตรตามพระสารีบุตรตามหานะมาเจอที่ถ้ำสุขรักขาตาที่ภูเขาเพชรกุ พระบรมง์ก็แสดงทมเรื่องเวทนานี่แหละทีคณะขะฝั่งบรรลุเป็นโสดาบันพระศาริบุตรถมายานพัดอยู่เบื้องหลังบรรลุเป็นพระอระหันต์เธอแล้ววันนั้นเองก็คือวันเพ็ญสิบห้าข้ามเดือนสามที่พระาริบุตรสมเด็จพระพระหันพระพุทธเจ้าเสด็จมา สู่วัดเวรุวันซึ่งเป็นเวลาช่วงที่มีพิสุมาประชุมกันหนึ่งพันสองรห้าสิบรูปพระองค์ก็ได้แสดงโอวาทปาดิโมกและแล้วก็ได้ตั้งสถาปนาภาษาริบุตรและมคครณะเป็นอักระสาวกเบื้องซ้ายเบื้องขวาเพราะท่านสั่งสมบา ร, รมีมาอย่างนั้นตั้งความปรารถนามาจน บำเพ็ญบารมีมาเพื่อจะเป็นอครสาวกและวันนั้นพระองค์ก็ได้แสดงโอวาทปาติโมซึ่งเป็นหลักธรรมเป็นหัวใจที่จะให้พระสงฆ์ได้ถือหลักให้อยู่ในหลักหลับเหล่านี้การดำเนินชีวิตของสมณะเราเนี่ยพระองค์ได้ตรัสเป็นเหมือนเป็นหัวใจพุทธศาสนา ว่า ส, สัพพาปัสสะอากกรณังการไม่ทำบาปทั้งปวงกุศลโูประสัมปทาการทำกุศลให้ถึงพร้อมสาจิตตะประโยทปนังการชำระจิตของตนให้ขาวรอบเอตังพุทธานาสาสนังทำสามอย่างนี้เป็นคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลาย พระพุทธเจา้าทุกพระองค์ที่ผ่านมาก็สอนอย่างนี้มาดาเนินชีวิตให้อยู่ในหลักไม่ว่าเราจะเป็นพระพิสุเป็นคราวาสหนึ่งต้องเว้นบาปทั้งปวงอะไรบ้างที่เป็นบาปการฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในกลามเนี่ยเป็นบาปการพูดเท็จพูดสอ่อเสียดพูดหยาบคายเพื่อเจ้อเป็นบาปการเพ่งเล่งจเจ้าของเขาด้วยทุจริต การพยาบาทอาฆาตแค้นการเห็นผิดจดากทำนองของธรรมเหล่านี้ต้องละออกไปก็ไม่เป็นบาป ท, ทั้งปวงทำกุศลให้ถึงพร้อมนะมีกายสุจริตวาจาสดจริตมโนสดจริตบำเพ็ญทานศีลภาวนาอย่างที่เราจะต้องพยายามกันเนี้ยอย่างที่เรานั่งฟังนะี่ก็เป็นการสั่งสมบุญกุศลใหญนะ่มีบุญ ที่เราจะต้องภาพเพียงทั้งทานศีลภาวนาและก็ทำจิตทั้งตนเองให้บริสุทธิ์เนี่ยโดยการที่เราจะต้องภาวนาเข้าไปรู้รูปรู้นามรู้สภาวะให้เห็นทำความเป็นจริงสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นเป็นธรรมด า, าสิ่งทั้งหลายทั้งปวงมีความดับไปโดยธรรมด า, าแล้วพระองค์ก็ได้ตรัสอีกว่า ขันติปรมังตะโปติติขาขันติคือความอดกลัน้นเป็นตะบะอย่างยิ่งเป็นเครื่องเผากิเลสเราต้องมีความอดทนอย่าที่เรานั่งอยู่เนี้ยมันปวดมันเมื่อยมันเจ็บมันเหนื่อยก็ต้องอดทนบางครั้งเราเจอความร้อ น, นความหนาความหิวกระหายเราก็ต้องอดทนเจอคำพูดเจอการกระทากระทบกระทั่ง เราก็ต้องอดทนเจอสิ่งยั่วยุนก็ต้องอดทนหรือว่าต้องไม่หวั่นไหวดังภูเขาแต่ไม่หวั่นไหวดังภูผาภูเขาหินไม่หวั่นไหวที่ลมพัดแรงมาไม่หวั่นไหวดังภูผาวางอุเบกขาดังวารินน้ำไม่น้ำก็จะไม่หวั่นไหวใครจะอของดีของเสียลงไปแลก็วางเฉย วางอูเบขาดังวารินหนักแน่นดังแผ่นดิ น, นแผ่นดินเนี่ยใครจะศาสตของดีของเสียขุดเจาะดินก็ไม่หวัน่นไม่ไหวไม่หวั่นไหวหนักแน่นดังแผ่นดินชาชินเพราะช่างมันหัดช่างมันบ้างเนี่ยใครชั่วใครช่างก็ช่างเธอใครใครชูใครเชิดก็ช่างเขา ใครดาใครบน่นทนเอาใจเราร่มเย็นเป็นพอถ้าเราสงบไม่ได้ทนไม่ได้เดี๋ยวเราก็ระเบิดออกไปทางมือทางเท้าทางปากปัญหากใหญ่ข้อเสียก็ตามไปเดือดร้อนอด ท, ทนเป็นตบะอย่างยิ่งขันตีประมังตโปตีติขาเราจะพวกเพื่ อ, อความพ้นทุกข์ต้องอดทน พระพุทธเจ้านั่งประทับใต้ต้นพระศีีมาพโพในวันตัสรุอย่างอธิษฐานจิตว่าแม้เลือดและเนื้อจะเหือดแห้งไปเลือดในหนังเอ็นกระดูกก็ตามทีตราบใดที่ยังไม่บรรลุสัมมาสัมโพธิญาณแล้วเราก็จะไม่ลุกจากสถานนี้เป็นที่นี้เป็นเด็ดขาดนั่งตั้งแต่ตอนบ่ายตอนเย็นตอนดังคืนยันสว่างเดี๋ยวเรานึกถึงอย่างเนี้ย เรานั่งไปปวดหลังปวดขาก็นึกถึงพระพุทธเจ้าพระองค์เรื่องยอมตายถึงได้สมมาสัมโพธิญาณอดทนขันติปรมังตโปติตจขันติคือความอดทนเป็นตะบะเครื่องเผากิเลสอย่างนี้ตรัสว่านิพานังปรมังวทันติพุท ธ, ธาพระพุทธเจ้าทั้งหลายตรัสว่านิพานเป็นยอด เราต้องไปสู่สิ่งที่ยอดที่สูงสุดนี่คือนิพพานทมอันเป็นที่สิ้นไปแห่งปัจจัยภูมแต่งทั้งหลายตรัสเป็นคำสอนอีกว่านะหน้นาหิปัชิตโตป ร, รูปรขาติผู้ทำร้ายสัตว์อื่นอยู่ไม่ชื่อว่าเป็นบรรพชิตเลย สมโนโหติปรังเพเทยันโตผู้เบียดเบียนสัตว์อื่นอยู่ไม่ชื่อว่าเป็นสมณะเลยมาเป็นสมณะเป็นนักบวชนี่ต้องเป็นผู้วางจะไม่เบียดไม่ทำร้ายใครไม่เบียดเบียนใครได้ตรัสถึงหลักธรรมอีกหกข้อว่าอารูปรคาโต อรูปะนะรูปวาโต อ, ร, อรูปคาโตนะการไม่พูดร้ายการไม่การไม่พูดร้ายหนึ่งอรูปวาโทอนุปคาโตะการไม่พูดร้ายหนึ่งการไม่ทำร้ายหนึ่งปาติโมเขจะสังวรโร ก, การสํารวมในปาติโมหนึ่ง มัตตัญยุตตาจะพัตตสมิงการรู้ประมาณในการบริโภคหนึ่งปันตัญจะไสยนาสนังการนอนการนั่งในที่อันสงัดหนึ่งอธิจิตเตจะอาโยโโคการหมั่นประกอบในการทำจิตให้นิ่งให้ยิ่งหนึ่งเอตังพุทธานาสาสนังทำหกอย่างนี้เป็นคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลาย นะพระพุทธเจ้าทุกองค์ก็จะสอนอย่างนี้เป็นหลักนะเป็นโอวาทปาติโมเป็นหลักทำเป็นหลักของพุทธศาสนาที่เราจะถือตามนี้นะทำหกอย่างนะต้องไม่กล่าวร้ายต้องไม่ว่าร้าย สำรวมในปาติโมคือสิกขาบทที่พระองค์บัญญัติไว้ให้เว้นเพราะว่าถ้าใบกระทำแล้วมีโทษอย่างฆ่าสัตว์เนี่ยรักษัพ์ประพฤติผิดในการพระองค์มองเห็นแล้วว่ามันเป็นโทษมันถ้าเราไม่เว้นเนี่ยเราก็จะต้องรับโทษความทุกข์ความเดือดร้อนมันก็จะเกิดขึ้นตามมาเป็นปัญหา ความปวดวันที่บางคนป่วยทุกทรมานนั่นมันมาจากบาปที่ทำร้ายร่างกายครับบางคนจะกิ น, น, นทั้งทีก็ต้องทำร้ายชีวิตสัตว์อย่างทรมานภาพตามร้านค้าต่างประเทศ ใครต้องการจะกินสัตว์ตัวไหนก็ไปชี้จากของก็เอามาแล่เป็นเป็ น, ปนกรีดนะกรีดเนื้อเป็นชิ้นชิ้นชิ้นชิ้นทั้งนั้นนี่มันยังเป็นอยู่เจ็บปวดขนาดไหนบทีก็เอาปลามาบ้างบางใส่เครื่องแกงเสร็จก็ทอดเอาหัวมันตั้งไว้ไม่ให้มันตาย ตัวทอดเสร็จก็มาใส่จานใส่ให้ลูกค้าลูกค้าก็ตักกินเนื้อทังนั้มันยังปรงงาประงาอยู่มันต้องคิดด้วว่ามันจะเจ็บปวดทรมานขนาดไหนเวลากรรมมันให้ผลเนี่ยเวลากรรมมให้ผลมันทารุณเนยอะป่วยทาทรุณซับซ้อนเนี่ยบางคนโดนผ่าตัด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 กินอาหาือะไรก็กินลงลำไส้ไปไปได้มันตีบก็ต้องหมอก็ต้องแยงเจ็บปวดทรมานมากยนี้ทำนองอย่างเนี้ยคือเวลาทำกรรมไว้ทำอย่างทารุณเวลกากรรมมาได้ผลก็เผ็ดแสบปวดร้อนเจ็บทรมานดั <c oughs> งนั้นพระองค์เห็นโทษเหล่าเนี้ยไหนจะต้องไปเสวยกรรมในนรกจึงให้เว้นบาปทั้งปวงไว้ อย่าไปฆ่าสัตว์อย่าไปทำลายร่างกายเขา <c oughs> อย่าไปทุจลิตช่อกโกอย่าไปประพฤติผิดในการมอย่าไปโกหกหลอกลวงสอเสียดอยาบคข่เพราะเชื่อเพราะมันนำมาซึ่งทุกข์ <c oughs> นั้นยิ่งเป็นสมณะพระง์จึงเตือนไว้ว่านะผู้ที่กำจัดสัตว์อื่นอยู่ไม่ชื่อว่าเป็นบรรพชิตเลยผู้ที่ เบียดเบียนสัตว์อื่นอยู่ไม่ชื่อว่าเป็นสมณะพราะเป็นนักบวชเป็นสมณะต้องไม่กล่าวร้ายต้องไม่ว่าร้ายไม่ทําร้ายไม่ว่าร้ายสํารวมในปาติโมกสิกขาบทต่างๆต้องรักษาทังอย่างญาติโยมก็มีสิกขาบทคือศีลห้าอย่างพระก็มีศีลมากขึ้นไปอีกต้องรักษาต่างๆมาสำรวมในปาฏิโมก โพชเนมัตันยุตารู้ประมาณในการบริโภคอาหาร <c oughs> แสดงว่ามันมีความสําคัญเรื่องอาหารแล้วก็นึกว่าไม่น่าจะบาปใช่ไหมไม่เห็นจะเกี่ยวเรบไม่ได้ไปเบียดเบียนใครแต่มันเบียดเบียนตัวเองอะนะกินมากแล้วมันจะไม่มันจะเป็นปัญหาเรื่องสุขภาพไหนจะเป็นปการปฏิบัติธรรมมันจะยาก ที่เราทําอะไรแล้วมันเดี๋ยวง่วเดี๋ยวฟุ้งเนี่ยเพราะมันปอาหารนี่เป็นปัจจัยสําคัญแต่พอเราทานพอดีทานน้อยลงท้องท้องว่างๆมันก็โปร่งสมองโปร่งนั่งไม่ห่วงไม่ฟุ้งร่างกายปลอดสติปัญญาพิจารณารมแจ่มแจ้งบรรลุธรรมได้ง่ายนั่นมันเป็นตัวสําคัญเหมือนกันสอนว่าโพชเนมัตตันหุดรู้ประมาณในการบริโภคอาหาร ปันตัญจศยนาสนงใช้ชีวิตนอนนั่งในที่สงบยืนเดินนั่งหาที่สงบวิเวกต้องเป็นอย่างนั้นเพราะกายเราสงบจิตเราก็จะสงบตามกายยวิเวกจิตตะวิเวกสงบ ดันั้นมันก็จะเข้าถึงมุปธิวิเวกเข้าไปถึงความสงบจากกิเลสดังนั้น<ม>เป็นผู้ที่ต้อง<ม>หาสายที่สงบวิเวกอธิจิตเตจายโยโคการหมั่นประกอบในการทำจิตให้ยิ่อ น, นีน้ไม่ใช่อยู่เฉยๆต้องเพียรต้องภาวนาต้องทำจิตให้จิต จะต้องทำให้เข้าถึงสมาธิต้องเขาทําให้ถึงปัญญาจึงเข้าถึงซึ่งวิมุตต์ความหลุดพ้นธรรมชาติของจิตนั้นเป็นธรรมชาติที่กัดแกวงดิ้นรนสัดสายเนี่ยแวบไปแวบมาเดี๋ยวไหลไปเรื่องนั้นไปเรื่องนี้โลกโกรธหลงเราจะฝึกจิตอย่างไรก็คือต้องมีสติตามดูรู้เท่าทันเรวนั่งมามันปวดเนี่ย จิตมันจะขับขใภาษาเราจะต้องดูจิตอ๋อจิตจิตเราเป็นอย่างนไงเราจะฝึกจิตให้มันวังเฉยเนยี่ปวดก็ปวดส่วนหนึ่งแต่รักษาจิตให้วังเฉยเมื่อรู้จิตรักษาจิตบ่อยๆเขา้ามันจะเกิดญาณปัญญาเห็นว่าโอ๋อปวดนี่อย่างหนึ่งจิตก็เป็นอีกอย่าง ที่ก่อนเนี่ยเอามจิตกับปวดมันเป็นอันเดียวกันมันจะเห็นเป็นตัวตนเป็นตัวเราเป็นอันเดียวพอเราฝึกดูจิตเนี่ยอย่างเวทนามันปวดขนาเนี้ยเราเราใส่ใจไปดูที่จิตดูเมื่อใส่ใจที่จิตหัดจิตให้วางเฉยบ่อยๆเนือนๆมันจะเกิดความเห็นว่าระหว่างปวดกับจิตเนี่ยมันคูละอันกันปวดก็มีอยู่แต่ว่าจิต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 พิจารณาดูเวทนาว่ามันมีเหตุมีปัจจัยเมื่อมีผัสสะมันก็เกิดเวทนานยอย่างเรานั่งกระทบอยู่นานๆขามันพับอยู่มันกระทบความแข็งความตึงมันก็จะปวดมีเวทมีทุกขเวทนาถ้าไม่พิจารณามันจะเลยไปสู่ตัณหาอยากอยากไม่มีไม่เป็นยึดไปสู่เป็นอุปาทานยึดมั่นถือมั่น แต่ถ้ามีสติรู้มีผัสสะเกิดขึ้นกระทบสัมผัสมีเวทนารักษาจิตดูจิตไว้มันก็จะอยู่แค่นั้นมีผัสสะเป็นปัจจัยมีเวทนาเป็นไปตามเวทตาปัจจัยแต่มันไม่เลยไปสุขตัณหาไม่เลยไปสุขป่าทาบ่อยๆเนืองๆ เ, เ, เข้าก็มียานอย่างเห็นว่าเวทนานี้ก็สักจะว่าเวทนา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 เรียกว่ารู้เห็นตามความเป็นจริงจะเป็นทางแห่งความบุคพลนเรเห็นความจริงทิ้งตัวตนพ้นบ่วงมานที่พระองค์ได้ตรัสว่าเมื่อบุคคลมาพิจารณาเห็นว่าสังขารไม่เที่ยงเขาย่อมเกิดความเบื่อหน่ายหรือเห็นทุกข์ก็ตามมันตั้งอยู่ทนมัใ น, ในก็เกิดความเบื่อหน่ายหรือเห็นอนัตตานะจะเกิดความเบื่อหน่าย มาสังขารนี่มันเป็นธรรมชาติที่เป็นทุกบิดขั้นมันต้องเป็นอย่างเนี้ยซ้ําๆอยู่เนี้ยเกิดความเบื่อหน่ายเมื่อเบื่อหน่ายจิตจึงคลายกําหนัดเมื่อคลายกาหนัดจิตจึงเข้าถึงความหลุดพ้นจากสวกกิเลสเมื่อจิตหลุดพ้นก็มียานอย่างรู้รู้ว่าหลุดพ้นแล้วชาติสิ้นแล้วพรหมจันทร์อยู่จบแล้วกิจที่ควรทําได้ทําจบแล้วกิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้ไม่มีอีกแล้วเนีย่ย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 นะวิชาความรู้แจ้งเห็นจริงเกิดขึ้นอโรมโกฏดับปาที่แสงสว่างเกิดขึ้นนะในธรรมที่นี่ทุก์เป็นอย่างนี้เหตุให้เกิดทุกเป็นอย่างนี้ความดับทุกเป็นอย่างนี้ข้อปฏิบัติถึงความดับทุกเป็นอย่างนี้ทุกจะต้องกําหนดรู้ตัณหาเหตุให้เกิดทุกจะต้องละมาดับตัณหาละตัณหาก็เข้าถึงความดับทุก โดยการเจริญอริยมรรคมีองแปดเข้าไปรู้ทุกข์เข้าไปพิจารณาทุกข์ให้เห็นตามความเป็นจริงนะรู้แจ้งเห็นจริงเกิดเห็นเป็นภยัยเป็นโทษเกิด ค, ความเบื่อหน่ายเมื่อเบื่อหน่ายวางใช้ปล่อยวางคลี่คลายนะจิตก็คลายกำหนัดเมื่อคลายกำหนัจิตจึงหลุดพ้นเมื่อจิตหลุดพ้นก็มียานอย่างรู้ว่าหลุดพ้น กาขอให้ทุกท่านได้เป็นผู้เข้าถึงแน่งธรรมดวงตาเห็นธรรมให้เกิดขึ้นโดยทั่วนาการทุกท่านคือ